บุญญานิปารโล ก, กัตสมิงปฏิธาโหนติปานินันตินะก็คือบุญที่ทำแล้วจอมเป็นที่พึ่งของท่านทั้งหลายในปัจจุบันและชาติต่อไปในในปัจจุบันชาตินี้แหละนะชาติหน้าก็เป็นผลของมันนะอันนี้ผลที่เราาได้มาได้ร่วมอระพฤติปฏิบัติกันนี้ก็คือผลนะผลของมัน คนของมันที่เราเราอยู่ต่างบ้านต่างที่ต่างถิ่นต่างจังหวัดต่างอำเภอก็ได้มารวมกันเป็นพลังถ้าเราไม่มีอาบุญนะก็คงจะไม่ได้มาเจอกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่จะมาเจอกันได้นะมันก็ต้องมีเหตุเหตุที่จะมาเจอกันนะมันมันก็ต้องมีนะเพราะว่าอยู่ๆเนี่ยเราจะไปเราจะมาเนี่ย มันถ้ามันไม่มีเหตุมันก็คงจะไม่ได้ในเหตุของการที่เราจะได้มารวมกันเนี่ยก็คือจุดประสงค์อันเดียวกันนะจุดประสงค์อันเดียวคือมีศรัทธามีศรัทธาที่จะเข้ามาปฏิบัติธรรมนะเหตุที่มันที่ที่เหตุที่ที่นาพาเรามาก็คือนี่แหละก็พวกเรานี่แหละเป็นเหตุในแต่ละคนนะในแต่ละคนพอรู้ข่าวนะรู้ข่าวว่า จะมีการปรปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดถ้ำแสงเทียนตั้งแต่วันที่สิบเก้าถึงวันที่ยี่สิบห้านะเราเข้าไปบอกต่อกัน mm hmm. เหตุของมันก็คือบอก mm hmm. ปากต่อปากปากต่อปากแล้วก็ชวนกันมาคนที่มีบุญนะที่จะติดมาได้คนที่มีมีบุญก็โอ้ยฉันไม่มีเวลาหรอกปฏิบัติธรรมฉันต้องทำอยู่ทำมาหากินทุกวันไปตัง้งหกเจ็ดวันฉันจะกินอะไรนั่นแสดงว่าเหตุ นะเหตุที่เราชวนแล้วมันไม่เป็นผลนะไม่เป็นบุญก็คือไม่ได้ทำบุญร่วมกันมานะเราก็ไม่ได้ติดตามกันมานะสำหรับนะงานนี้นะอาตมาก็คิดว่านะในปีที่สามนะปีนี้เป็นปีที่สามนะซึ่งในสายงานหลวงพ่อเทียนธรมรมดาก็เปิดทุกทุกวันนั่นแหละเปิดปฏิบัติธรรมมาเปิดทุกวันทำทุกวันเขาบอกว่าอาจารย์ที่นี่เปิด เปิดเดือนไหนปีไหนอาตมาบอกว่าเปิดทุกวันเลยประตูวัดอะเปิดทุกวันเข้ามาได้ทุกวันแล้วก็ทําแบบนี้ทุกวันทําแบบนี้ทุกวันเหมือนกันถ้าอาตมาไม่อยู่ก็มีพ้าอยู่มีไมีเมธีอยู่ซึ่งถ้าอาตมาไม่อยู่ก็คงจะออกไปงานซึ่งงานสายงานต่างๆที่ไปช่วยครูบาอาจารย์แต่ถ้าอยู่ก็มีกิจกรรมแบบนี้ทุกวันเหมือนกันก็เปิดตลอดสําหรับญาติโยม ที่ได้เข้าออมาวันนี้อาตมาคิดว่าอาตมาก็ภาคภูมิใจในสิ่งที่เราได้มีความตั้งใจความทั้งใจของอาตมาจริงๆจริงๆที่อยู่จุดนี้ที่อยู่ที่นี่ทาหน้าที่แทนหลวงพอ่อซึ่งหลวงพอ่อท่านก็ได้มอบหมายตรงนี้ไว้ให้ปล่อยให้อยู่ที่นี่แล้วก็ท่านก็ไปหลายๆที่ซึ่ง สถานที่ตรงนี้ก็เป็นอาตมาคิดว่าเป็นสถานที่เหมาะสําหรับแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นสปาญาที่ที่ค่อนข้างพร้อมอ่ากคนข้างพร้อมก็ก็ว่าได้นะเพราะว่าช่วงแรกก็ก็ยังไม่พร้อมเพราะว่าป่าเราไม่มีนะป่าป่าเราก็มาปลูกใหม่นะในช่วงสิบปีย้อนหลังไป ก็คงจะเป็นโคกดินแดงนะนมีแต่ดินแดงฝั่งทางนน้นก็ไม่มีร้นไม้ฝั่งทางอุบาสิการ้นไม้ต้นลำใหญ่ที่เขาปลูกไว้ก็ลุกล้างต้นแค่อีวนี่แหละประมาณะก็มาดูแลรักษากันก็จะได้เป็นร่มเป็นเงาได้ก็สิบกว่าปีปีนี้ก็เป็นปีที่สิบสามสิบสี่ปีเข้าเนี้นะ่นะอ่าเราก็เราก็คงจะมองเห็นว่าต้นมะข่าต้นไม้ ทุกต้นเนระก็คงจะพอพึ่งพาสาล่มได้ต้นมะม่วงต้นะมะขามต้นไม้ทุกต้นนะแล้วก็มาปลูกใหม่อีกนะมาปลูกใหม่อีกก็ก็เป็นต้นไม้พยุงไม้ดูไม้อ่าซึ่งเป็นไม้ยืนต้นไม้พยอมไม้ตะเคียนนะก็มาปลูกแทนปาา่ปาไัยพึ่งปาา่าไัยซึ่งเราปลูกไว้ก็น่าเสียดายนะมันก็เป็นขีเป็น uhm, ตายออกออ ก, ออกดอกของไราตาย นะสำหรับจุดมุ่งหมายของอาตมาจริงๆก็เพื่อเรื่องนี้เพื่อเรื่องการปฏิบัตินี่เพราะว่ามันเป็นผลซึ่งอาตมาได้ผลได้ผลมานะได้ผลมาซึ่งชีวิตได้มาเปลี่ยนได้มาเปลี่ยนใหม่นะชีวิตของอาตมาได้มาเปลี่ยนใหม่นะซึ่งได้มาได้เข้ามาปฏิบัติธรรมนะถ้าอย่างนั้นคงจะไม่ได้มาอยู่ในจุดนี้ก็เห็นก็เห็นผลในเรื่องของการปฏิบัติธรรม ตัวเองก็ได้คิดว่าผลออกจากตรงนั้นมาได้เนี่ยถ้าเราไม่ได้มาเจอทางเส้นนี้นะชีวิตของเราก็คงจะเป็นปุ๋ยไปแล้วนะเป็นปุ๋ยจะไม่รู้อยู่ที่ไหนเป็นปุ๋ยอยู่ที่ไหนม <c oughs> ันเหมือนชีวิตที่เราเกิดได้ได้มาเกิดใหม่ได้มาพบครูบาอาจารย์นะซึ่งท่านาไดนะ้เราได้ม า, าประพฤติกับท่านมาประพฤติปฏิบัติกับท่านได้มาศึกษาเรียนรู้กับท่าน จริงๆแล้วอาตมามามาจากบางคนก็ยังไม่รู้นะพูดเข้าๆสักหน่อยเวลาคงจะอ่าเ ม, มยังเดี๋ยวอยู่อีกเยอะนะก็เริ่มแรกเนี่ยอาตมาก็มาจากกัที่บอกแล้วว่าอาตมามีพ่ออยู่สองคนมีพ่ออยู่สองคนคเกิดจากอ่าพระครูสุเทพ ธ, ธรรมกรบวชอยู่ที่นั่นนาซีท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดชาเชีงเซาว อันนี้ชีวิตการเกิดใหม่นะไม่ใช่เกิดเก่าเกิดเก่าอยู่อันนั้น30กว่าปีที่เกิดเก่าตายไปแล้วคนเก่าตายไปแล้วนะอันนี้มาเกิดใหม่เกิดในธรรมนะอันนั้นทางโลกอันที่เราเคยมีประสบการณ์มา30กว่าปีถึงได้เข้ามาในจุดนี้สามสกว่าปีได้เข้ามานะก็ก็คิดว่ายังไม่สายนะสากว่าปีแต่คน60ปี70ปีก็าเขาก็ยังว่าไม่มาทันนะแต่เรานี่30สกว่าปีก็ปีนี้ปีที่สิบหก เขาปีปีที่สิบหกที่ได้เข้ามาเรียนรู้ได้มาศึกษาได้มาปฏิบัติในเรื่องของอาสายในในสายของหลวงพ่อเทียนเคลื่อนไหวก็สนะิบหกปีซึ่งชีวิตนะได้ซึ่งเข้ามาสู่ทางเส้นนี้นะได้เข้ามาแล้วไม่สงสัยเลยอนะไม่สงสัยในคําสอนของพุทธเจ้าไม่สงสัยในคําสอนของครูบาอาจารยนะ์มันสิ้นสงสัยไ ป, ไ ป, ไ, ปไปตั้งแต่ปีที่สอง ปีไม่ใช่ปีที่สองปีแรกเลยเมื่อปีสี่ห้าได้เข้ามาปฏิบัติกับหลวงพ่อมหาที่ไปเจอหลวงพ่ อ, ท, อ, อที่แหลมสิงที่แหลมสิงเกาะที่ที่แหลมสิงนะก็ไปเจอหลวงพ่อที่นั่นอาอตมาก็ไปจากเทพทารพระครูสุเทพธรรมกรหรืออาจารย์วิไลซึ่งเป็น ัที่อาตมาได้บวชอยู่ด้วยอาตมาก็ถามอาจารย์ว่าอาจารย์ผมบวชมาแล้วเนี่ยมันทำไมทุกข์อีกอยู่เป็นคารวาสก็ทุกข์อาตมามาเข้ามาด้วยไม่ไม่ได้ด้วยศรัทธานะด้วยไม่มีทางที่จะไปมันไม่มีทางออกที่เขามาบวชอ่าไม่มีทางไปแล้วมันออกไปทั้งโลกมันทุกข์อ่ะยิ่งไปยิ่งทุกข์ยิ่งไปยิ่งทุกข์เหมือนรถที่มันติดลมติดตมยิ่งดิน้นยิ่งจมยิ่งดิน้นยิ่งจมชีวิตอ่ามันขึ้นไม่ได้ นะมันขึ้นไม่ได้แต่พอได้เข้ามาบวชนะได้เข้ามาบวชแล้วก็ได้เข้ามาศึกษานามาอยู่กับพระอาจารย์วิไลหรือพระครูสุเทพธรรมกรหนึ่งพรรษานะแต่มาก็ได้ศึกษาปฏิบัติก็ปฏิบัติไปแต่ก็ก็ยังไม่เข้าใจเรื่องอะไรเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องธาตุสี่ขันธ์ห้าเรื่องอายตนะสิบสองอะไรไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้มืดตุ๊บเลยอืมมืดเลย เพราะว่าเราไม่เคยศึกษาวาลีไม่เคยศึกษาในเรื่องของอเนี่ยวาลีแปลเราไม่เราไม่รู้นะแล้วตอนนั้นก็ยังช่วงนั้นก็ยังก็ยังมีหนังสือแปลน้อยนะช่วง น, นั้นก็ตรวจมนให้พร อ, อะไรก็เป็นอาาลีทั้งหมดความหมายมันก็สื่อสื่อสื่อออกมาเนี่ยเราก็ยังไม่เข้าใจเรื่องอะไรแต่พอได้มาปฏิบัติจริงได้มายกมือสร้างจังหวะอนะตมาได้มาทําอยู่สามเดือนในช่วง ที่อยู่กับพระอาจารย์วิไลนะก็มันก็ทุกข์กันนะเพราะว่ามันมีแต่ความคิดนะมันสู้กัสู้ความคิดไม่ได้อนะความสู้ความคิดไม่ได้แล้วก็หาทางออกทางออกคือคืออะไรกินกนินกาแฟนะกินอ่าฉันกาแฟแล้วก็ยาสูบพราอมันคิดมากๆก็ยาสูบยาสูบเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นร้อยๆมวนนะนะในแต่ในแต่ละวันต่อวันเนี่ยเป็นร้อยมวนเลยแต่ว่าไม่ใช่บุหรี่นะเพราะว่าบุหรีมันไม่มีเงินซื้อ ก็เป็นยาเส้นนะถุงละห้าห่อละห้าบาทนะดูดหมดโดดมลดูดมว ล, ม, ลมือนี้เหลืองเลยนิ้วเนี่ยเหลืองเลยอนะช่วงนั้นหาทางออกไม่ได้ถ้าไม่หาทางออกไม่ได้ในะช่วงนั้นนะอาตมาคงจะตายด้วยยาสูบนี่แหละเพราะมันเหลืองหมดแล้วนะเหลืองมือก็เหลืองทันจนเหลืองอะ่นะยาตากพี่ดํานะโอ้ยดูแล้วสภาพขนาดเป็นพระนะเนี่ยนะบวชมาเป็นพระแล้วนะก็ปฏิบตัติแต่มันมันมันก็มีอานิสงส์อ่ะ เราปฏิบัติไปนะทั้งๆ ท, ที่เรายังไม่รู้อะไรแต่เราก็ทําไปครูบาอาจารย์บอกให้ทำํำเราก็ทําความรู้สึกตัวก็ก็ไม่รู้เพราะยกไปก็พูดไปโทรไปพูดไปโทรไปกลัวมันได้น้อยแต่ตามาเนี่ยยกยกเคลื่อนไหวไปด้วยกับพุธ ด, ด้วยโทรด้วยพูดด้วยโทรด้วยกลัวมันได้น้อยนะก็ทํำแบบนี้ทําด้วยความไม่เข้าใจนะถ้าทำกลัวมันกลัวมันได้น้อยอ่ะาเดินกับพูดโทรไปนะเคลื่อนไหวไปพูดโทรไปกลัวมันกลัวมันไม่ทันเขา พออาตมาได้ออกจากนั้นมาก็ถามอาจารย์บอกอาจารย์อ่าผมนี่ทุกข์มากนะถ้าผมสึกออกไปผมราสีขาวไปนะเพื่อนก็สึกไปแล้วผมอาจจะไม่เน่นะชีวิตนะชีวิตอาจจะไปติดคุกไม่ติดคุกก็ตายนะก็มีแค่นั้นแหละชีวิตคงจะไม่มีค่าเลยแนละ้วอาจารย์บอกก็เลยถามอาจารย์ที่ไหนบ้างมีที่ปฏิบัติที่มันออกจากทุกข์ได้เนาะที่ว่าปฏิบัติแล้วนะี่ยมันมันไม่ทุกข์แบบเนี้หวัวอาจารย์ก็เสนอมาบอกมีอ่าตอนนั้น อ่าจานบินยังดูทิศบินในรุ่นวันนี้ฮยังอยู่ก็บอกว่ามีแต่จะไปได้ไหมล่ะผมมันเป็นอะไรล่ะจาย์ถึงไปไม่ได้ใส่ลงโปรเทนเขาบอกหนึ่งเลิกยาสูบโอ้โหมันตรงกับสเปคเราเลยนะเลิกยาสูบเนี่ยคือเราต้องพึ่งยาสูบตลอดพอมันคิดมากๆมันมันมันก็ช่วยเราได้ระดับหนึ่งยาสูบเนี่ยดูพอสูบเข้าไปเสลลเข้าไปมันมึนใช่ไหมมึนมันกระเพิรนนะเอ่อพอมันเมาเพราะมัน พอมันสางก็เอาอีกสางก็เอาอีกอะ่ะเพราะว่าเราเป็นคนกินเหล้าใช่ไหม uh huh. ดื่มสุราพอเนั่นไปนนมามันก็ต้องมาใสา ย, ยาเพราะว่าดื่มเหล้าไม่ได้บวชเข้าไปแล้วนะโอ้โ oh, หนะทั้งสงแล้วก็กาแฟสองอย่างเลยนะเราก็เรากํากลังติดอยู่แต่ว่าพอคิดไปคิดมาเออชีวิตเราเนี่ยมันก็เหลือไม่เยอะแล้วนั่นเนี่มเราจะถ้าเราออกไปข้างนอกเราก็ไม่ตายก็ติดคุก ก็ลองเดินดูนะก็ลองลองดูว่ามันจะตายไหมไปทางนี้มันจะตายไหมก็เลยตัดสินใจเลยบอกครับผมผมจะเลิกนะผมจะเลิกให้ได้ทั้งทั้งของทั้งยาสูบแล้วกะ็กาแฟก็ไปนะแต่มาก็ไปเจอเนี่ยไปเจอหลวงพ่อไม่มีเวลาสูบหรอกยานะี่ยอยู่กับหลวงพ่ออืมเวลา24ชั่วโมงนอกจากเวลานอนนะท่ก็คมเบาคุเมเบาคมเบาจะหนีไปไหนไม่ได้นะจะเข้าห้องน้ําจะไปรักสูบยาก็ไม่ได้ ปฏิบัติพอปฏิบัติไปปฏิบัติมาเนี่ยเรื่องยาสูบเนี่ยมันลืมไปเลยอ่ลืมไปเลยเพราะอาการปฏิบัติมันต่อเนื่องนะในช่วงช่วงปฏิบัติมันต่อเนื่องทั้งเดินจงกรมทั้งสร้างจังหวะแล้วก็อยู่ด้วยกันว่พาพระกับพระหลวงพ่อท่านกุมพระพระก็ตระเละกับพระหลายรูปห ร, ร, ปรอกหนะ้าสิบหกสิบองค์นะจิตรูปมาปฏิบัตินะหายไปเรื่อยหายไปเรื่อยทยอยไปเปรื่อยเหลืออยู่เจ็ดแปดรูปพระนี่ไม่เอาเลยนะสู้โยมไม่ได้นะนี่นี่จริงนะ โยมสามแถวมันตุกลูกไปแล้วไม่ชี้ทั้งสามแถวเลยพร ะ, ะเนี่ยโอ้โหยากนะู้โยมไม่ได้พระเนี่ยพอปฏิบัติหนักๆเขาหนีหมดเลยวัดเราก็จะเหมือนเขาหรือเปล่ปาไม่รู้นะอตอนปฏิบหรือไปลบปฏิวัติก็อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะแต่ก็ไม่ไปเห็นนะพระ น, นี่ไม่ไม่ค่อยออกหน้าน ะ, ะสัมภายนมาเหลืออยู่เจ็ดแปดรูปอยู่กับหลวงพ่อ นะเพราะปฏิบัติไปเนี่ยมันมันได้อารมณ์ตรงนี้มันหลุดจากความคิดออกจากความคิดได้เราคิดว่าโอ้โหตัวนี้เลยนะอ่านะตัวนี้แหละที่เราตามหาอยู่นะพอมันออกจากความคิดได้ความอาฆาตพยาบาทเรื่องของความทุกข์ต่างๆมันหลุดออกไปอหลุดนะออกไปสามวันนะหลุดหลุดหมดเลยความง่วงก็ไม่ง่วงมันเหมือนคนที่เคยง่วงมาจะจัดเนี่ยพอมาหลุดออกมาแล้วมันเหมือนอยู่คนละโลกเลยเหมือนออกมาในที่ที่สว่างที่มัน โอ้โหเดินไปไหนมันสว่างสวัยไปหมดเลยมันจะไปนอนตรงไหนมันก็กลัวไอ้เขาอ่ะมันเห็นน่ะมันเห็นมันเห็นแล้วเอ๊กูจะไปหลบนอนตรงไหนจะม่าจะไปนอนมันมันก็ไม่กล้านอนคือคือมันแสงสว่างมันสว่างแบบแบบแบบคือนั่งตอนมันมานั่งสร้างจังหวะเดินก็ไหม่งงทำอะไรเม่งงวันนั้นก็เลยไม่ได้ฉันข้าวเพียงนะตีระฆังไม่รู้เรื่องเลยนะไม่รู้เรื่องนะก็ทําตั้งแต่บัดนั้นมามันก็ เปลี่ยนเลยเปลี่ยนจากที่คนที่เราเนี่ยทุกข์มากเนี่ยมันออกจากตรงนั้นมาได้มันก็ขยันนะได้ปีตีนะได้ปีตีโอ้เดินทั้งวันทั้งคืนเที่ยงคืนเดินวันนั้นเที่ยงคืนทั้งๆ้งที่คนสลามันมีสลาอยู่หลังนี้ก็นอนกันก็คือมันไม่มีที่ปฏิบัติแบบของเรามันเป็นสลาอยู่หลังเดียวแล้วก็นอกนั้นเป็นบอกกุ้งรอบหมดไม่สนใจใครจะพูดจะคุยกันเดินตรงกรมหมดคืนนะได้อารมณ์นะมันก็ ก็บอกว่าไม่กลับแล้วมันบอกไม่กลับไปที่เดิมแล้วแต่เราไม่รู้ว่ามันไม่กลับไปไหนนะแต่พอปฏิบัติไปปฏิบัติม า, เ, าเราก็มาเข้าใจว่าโอ้มันมันไม่กลับไปทุกข์อีกไปทุกข์กับความคิดนะความคิดที่มันทําให้เราทุกข์เนี่ยทั้งๆ ท, ท, ที่มันเป็นเรื่องห้าปีสิ 10, ปีไปแล้วเรายังกลับไปทุกข์กับมันนะชีวิตของเราน่าไม่เข้าใจในเรื่องความคิด <c oughs> ตั้งแต่นั้นมาแต่มาก็ทําหน้าที่นี้มาตลอดเลย ตาติดตามหลวงพ่อมาจนกระทั่งมาถึงที่นี่นะไปไปไกลนะไม่ใช่ที่นี้ย่อย่อลงมานะก็จนมาถึงที่นี่นะแล้วมาอยู่ที่นี่อ่านะมาอยู่ที่นี่ก็มาก่อสร้างนะก่อสร้างอยู่ที่นี่ตอนแรกอาตมาก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นในรูปแบบนี้อาตมาคิดว่าจะมาสักสามสีป่ปีนะอยู่ตรงนี้สักสามสีป่ปีพอศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของการปฏิบัติพอเข้าใจแล้วก็จะกลับไป นะจะกลับไปที่บ้านเพราะว่าพ่อแม่อยู่ที่นู่นนะพ่อแม่อยู่ที่ชฉางซาอยู่ที่ประทานก็จะกลับไปที่นู่นไปอยู่กับพระอาจารย์วิไลนะก็คิดว่าจะมาศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของกรรมฐานให้ให้มั่นใจตัวเองว่ามันอยู่ได้ทําได้พอมั่นใจปุ๊จะกลับอพอพอจะกลับมันก็เป็นมันเป็นเรื่องที่บังเอิญนะในช่วงปีที่สี่ก็มนะีมีคนคนหนึ่งนะที่เขาให้ แรงพักดันเราก็คือเขาบอกว่าที่นี่น่ะมาอยู่ไม่เกินห้าปีหรอกพระนะ้าไม่หนีก็สึกโอ้โห oh. นะแรงแรงบรรดาลใจมันเกิดขึ้นตรงนี้ไม่หนีก็สึกป่ะมันขนาดนี้เหรอเออก็อยากมันมันมันมีกำลังใจนะว่าเอา้าลองดูที่มันจะเป็นยังไงไม่หนีก็สึกนะมันเป็นเพราะเหตุอะไร <c oughs> ก็อยากจะอยู่พิสูจน์นะ <c oughs> อยากจะอยู่พิสูจน์ว่า มันเป็นยังไงเหตุที่ไม่หนีกระสึกเนี่ยเออก็อยู่ปีที่ห้าก็อยู่เนี่ยอ่าปีที่ห้าก็อยู่แต่เริ่มแรกเนี่ยก็อันนี้มันข้ามนะมันกระโดดข้ามไปนั้นเลยขอย้อนหน่อยหนึ่งนะขอย้อนหน่อยหนึ่งก็คืออาช่วงแรกหลวอองพ่อก็เลยพาเข้ามาเนี่ยพาเข้ามาตรงนี้มันสถานที่ตรงนี้มันก็โอแสนจะลําบากนะน้ําก็ต้องแย่งกันน้ําแย่งกันก็ต้องไปต่อที่ถ้าเม่นสายเล็กๆนะ น้ำก็แย่งกันแล้วก็ไฟป่าโอ้ยเข้าตลอดแต่ละปีแต่ละปีหลวงพ่อก็พาข้ามเขาข้ามโขงไปนู่นนะดับนะใครไม่ดับท่านก็พาไปดับไปกลางคืนบางทีไม่ได้หลับได้นอนพาไปดับไปเห็นไฟเกิดตรงไหนก็พาพาะไปแตกตืน่นหมนะหลวงพ่อไม่ได้เห็นก่อนไฟเนี่ยป่าที่อยู่ได้กับพ่อหลวงพ่อเนะี่ยพอหลวงพ่อไปมันก็เข้าอีกไอเราก็เอาอย่างท่านนะพอไฟเกิดที่ไหนก็พาพระไปที่นั่นเนะ่นะเนี่ยไปดับทําไปมาป่า พอไฟมันไม่เข้าหลายปีหลายปีเข้าป่ามันก็เริ่มโตเพราะว่าไม้เล็กที่มันเกิดขึ้นมามันไม่ตายนะมันไม่ตายมันเมื่อโดนไฟลวกมันไม่โดนไฟไหมพอเรารักษาป่าได้พอรัเรารักษาไฟได้เราก็รักษาป่าได้คราวนี้ต้นไม้เราก็ปลูกน้อยๆข้างบนเราปลูกแซมขึ้นไปแต่ก็มีต้นไม้มันมาขึ้นดินมันก็โตเร็วนะต้นมะขามที่เราไปปลูกจะสู้ไม่ได้เลย่ปลูกที่หลังพวกที่มาขึ้นที่หลังนี่โตกว่าเป็นเป็นไม้ป่าอ่ามันมาจาก เม็ดมันที่มันปิวลงมาอะไรลงมามันก็เลยเป็นป่าให้เราเห็นนี่แหละเพราะเรารักษาไฟนะในช่วงที่หลวงพ่อไม่อยู่หลวงพ่อมาจำพรรษ า, าด้วยปีหนึ่งปีแรกหลวงพ่อก็ปีนั้นท่านก็เดินทางไปโน่นละที่สหรัฐก็คือไปไปรุ่นสองปีนะหลวงพ่อทุกทุกกลับมาในช่วงสองปีก็อาตมาก็โอ้โหช่วงนั้นนะมั น, ม, นมันยังไงอะช่วงนั้นสงสัยจะเป็นวิปัสสนู นั่นแหละเรื่องการก่อสร้างมันไม่ได้กลัวเลยนะเนี่ยจันพันตาเบนที่มาอยู่ด้วยกันนะจันพันตาแบนโอ้โหสู้กันเหมือนวัวมันควายนะแล้มขึ้นเขาลากไม้ไผ่มาทํากุฏิกันเลยไป่ไผ่มาเจันพันขาที่ยงจะสู้ไหวหลังบ่มไม่ไหวแล้วจันพันโอ้ยอยู่ไม่ได้เลยจันพันไปก่อนนะจันพันหลวงตะแบนมาช่วงหลังนะก็คิดว่าตั้งตั้งแต่ก่อนเนี่ย มันมันเราต้องปรับสถานที่นะหลวงพ่อก็มาพาทําท่านก็อ่ากะพื้นที่ว่าจะทํากุดตรงนั้นทํากุดตรงนี้เนั่นไว้เราก็ทําตามที่ท่านบอกก็ทํามาในชุดในช่วงนั้นมันมากนะมากสถานที่ตรงนี้กว่าจะได้มาเป็นสถานที่ที่เราได้เข้ามาเรื่องกับป่าไม้เรื่องกับชาวบ้านเรื่องกับพระเยอะแยะไปหมดเลยน่าก็ต่อสู้กันมาเราไม่ได้ต่อสู้ด้วยกําลังอ่าไม่ต่อสู้ด้วยกําลังเราต่อสู้ด้วย นะด้วยการปฏิบัติของเรานี่แหลนะเราเราไม่เราไม่เอากำลังเข้าสู้นะแต่เราเอาความดีเราเอาสติปัญญาทางธรรมนี่แหละเข้าสู้ก็คือการปฏิบัติธรรมพอปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่มันเป็นภัยวิบัติแก่เราเนี่ยทุกอย่างก็จะแพ้เองแพ้ไปแพ้ไปแพ้ไปแพ้ไปนะ ท, ท, ทั้งๆ้ที่คนที่เราจะทํากุฏิหลังไหนก็แล้วแต่ จะทำอะไรก็แล้วแต่เขาจะไปแจ้งป่าไม้มาคอยจับเราแม้่แต่ไม้ต้นขนาดเข็นเขาก็ไปแจ้งป่าไม้มาจับเราเขาจะทำลายเราคือไม่อยากให้เราอยู่ที่นี่นะก็ไปแจ้งป่าไม้ป่าไม้ก็มาทำกุฏิแต่ลหลังเนะี่ยต้องทำตอนฝนตกฟ้าร้องทิ้งๆจะทำได้กุฏิตะก่อนที่ทำกุฏินะต้องมุ่งแต่มุญญาา่งยะขาอ้าวพอทำเสร็จไปแจ้งป่าไม้มาเอาให้รื้อ ล, ล, ลงมาอีก เราก็ไม่โกรธนะเราก็ไม่กดแล้วก็ช่วยกันพาหลายๆองค์ก็หามขากุติลงมาเอามาตั้งไว้เนี่ยไปทําข้างบนเนี่ยอพอไปทํำอ้าวมาเดินรอไปเก็บเอาลงไว้ดมลือหน้าหลังนี้ต้องลืออลือก็ไม่เป็นไรครับก็ลื้อลงมาลื้อหลายหลังที่ลือลื้ืก็ไปชี้ที่ให้บอกป่าไม้บอกจะให้ผมอยู่ตรงไหนถ้าให้อยู่ตรงไหนก็ไปชี้ก็แล้วกันะผมจะได้ไม่ไปบุกรุกที่ของป่าไม้ต้มาชี้อยู่ข้างล่างชี้อยู่ข้างล่างที่มันไม่เป็นแบบนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ปรับ ไปตั้งตรงไหนอ่ะทไม่ได้ปรับกต็ตะแคงเอาตะแงตะตะแงตแต่ก่อนกับมันเป็นที่รถทำแล้วยุงมันจะเยอะกว่านี้ไม่ได้นั่นเนี่ยะถ้าฝนลงมาแล้วโอ้โหในช่วงเย็นเนี่ยทำวัดอีกโอ้โหนินะกว่าจะทําเสร็จมึงมงมึงยุงเยอะมากเลยแต่ก่อนยุงมากก่อนจะทำวัดเสร็จนะสารแถวอันนี้เอดลุกไปช่วงนี้<า>นเลย ไม่รู้ยุงมันหายไปไหนนะทานนี้เลยออกข้างหน้านี่นยุงเรื่องยุงเรื่อ ง, งอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้สงสัยมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันเป็นสถานที่ที่จะให้พวกเราเข้ามาปฏิบัติธรรมนันแนะแต่ถ้าคนเข้ามาทีแรกเนี่ยถ้าเข้ามาเจอยุงแบบนั้นไม่มีใครกล้าเข้ามาเลยจะเยอะมากเลยยุงเนี่ยโอ้หเหมือนพึ่งเลยแตกลางเลยท้องเย็นเนี่ยทาวัดเนี่ยมันจะลงมาจากป่าไผยไม่รู้เป็นยังไงเยอะมาก <Jub ilee> แต่เดี standing, courtesy, native, to, ๋ยวนี plastic, ้ไม oh ่ม mm. ีนะมีมีก็มีน้อยนะก็ทำให้พวกเราเนี่ยไม่ไปลำคานไม่ไปกังวลกับเรื่องพวกยุงพวกอะไรมาเรียงต่างๆนะพวกเราก็มีอ่าก็เรียกว่าปฏิบัติกันได้แบบไม่ต้องมีอะไรที่มากวนมากมายนะแล้วก็ในเรื่องของสถานที่มันก็ได้ปรับปรุงมาเรื่อยๆนะปรับปรุงมาเรื่อยๆชาวบ้านก็ช่วยกันมาพัฒนา ทั้งถนนหนทางหลายอย่างนะที่เราอ า, อาศัยนะชาวบ้านนะแล้วก็อาศัยพระที่ทา่านพระทั้งพระทั้งโยมเนี่ยได้เข้ามาอาประพฤติปฏิบัติกันอาขาได้มาหินประโยชน์ส่วนที่เรานะส่วนที่เราได้ทําขึ้นมาต้องคนคนที่ที่มาเห็นประโยชน์ก็คือคนได้ที่มาเข้ามาปฏิบัติแล้วอ่าเออเราสมควรจะทําอย่างไรอาต่มาไม่ได้ทำมั่วนะ ในในเรื่องของสถานที่แต่ละแต่ละที่ที่จะเกิดขึ้นมาก็คือคนที่เขามาปฏิบัติแล้วเนี่ยเขามาเสนอคือคือเาเห็นผลประโยชน์ว่าเอออาจารย์คขาจะทำตรงนี้นะผมว่ามันดีนะอ่าแล้วก็จ ะ, ะจะได้รองรับพวกญาติโยมญาติโยมหรือพระเจ้าพระสงฆ์ที่เขามาปฏิบัติเนี่ยมันจะได้เป็นผลเป็นประโยชน์มากอ่าไม่ใช่ว่าอยากจะทำก็ทำเลยคิดอยากจะทำอะไรก็ทำเลยไม่ใช่ ถ้ามันไม่มีประโยชน์จริงๆอาตมาจะไม่ทําในเรื่องของกุฏิศาลาแต่ละหลังอ่จะไม่ไม่ทำไม่ไม่สร้างขึ้นมาก็ ค, คือมันไม่ได้ประโยชน์นาที่เขาสร้างกันทุกวันนี้วัตถุเยอะแยะไปหมดหนาสร้างโบสถ์สร้างวิหารเคียงกันเยอะแยะแต่ไม่ใช่ได้ใช้ผลประโยชน์ให้เต็มที่แต่ของเราเนี่ยอาตมาก็สงสารนะศ า, าลาหลังข้างบนเนี่ยก็สร้างมาก็ปีสี่ศูนย์ก็ยี่สิบสี่ปีสามขีแปดก็ยี่สิบกว่าปีตอนที่เขามาสร้างไว้เนี่ย หลวงพ่อพามาเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้เขาเรียกว่าข่าวเหมาไฟนะ่ะดำๆเนี่ยไม่มีใครมาล้างไม่มีใครมาเช็ดมาถูหนาหลวงพ่อมามาขูดนั่งขูดกันเป็นวันน่ะเนี่ยสาราข้างบนเนี่ยหลังเล็กๆนะ่ะข้างบนน่ะมันไม่เห็นพื้นเลยพื้นล่างน่ะกะเบื้องไม่เห็นเลยต้องมานั่งขูดล้างกันโอ้ยน่ะหลวงพ่อพาเข้ามากว่าจะนอนกันได้เนี่ยโอ้ยกว่าจะนั่งกันได้ มันเต็มไปหมดเลยไม่มีใครดูแลรักษาแต่ว่าเราได้เข้ามาปุ๊บศาลาหลังเล็กๆนะศาลาหลังเล็กก็มีประโยชน์สูงสุดเลยก็คือรับญาติโยมที่เข้ามาปฏิบัติกันเนี่ยไม่ได้ขาดเลยศนะาลาหลังข้างบนเนะ่ะตั้งแต่หลวงพ่อเข้ามานะตั้งแต่ปีตั้งแต่ปีสี่หกสี่เจ็ 6, 10, มาเรื่อยๆสำหรับโรงพยาบาลเนงสง่าก็ตามเข้ามา ต, ตั้งแต่ปี ตั้งแต่ปีสี่เจ็ดหรือสี่แปดนี่นะโน้นสง่าเข้ามานะช่วง น, นั้นนะตามหลวงพ่อเข้ามาก็ก็ได้เข้ามากันเรื่อยๆทั้งโรงบาลทั้งโรงเรียนแล้วก็ามาตาักหลายสถานที่หลายแห่งนะได้เข้ามาอ่าได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติกันก็ไม่พอพอนักเรียนเข้ามาร้อยกว่าคนเนี่ยตวลาหลังขึ้นบนไม่พอนั่งนาไม่พอนั่งก็เลยก็เลยมาทําตรงนี้หลวงพ่อท่านมามาทมําไปแล้วแต่ตรงนี้ อตอนแรกหลวงพ่อไม่ได้บอกนะว่าเป็นที่เผาศพก็ยังไม่มีใครกลัวแต่เมื่อคืนนี้แต่พอหลวงพ่อพูดไปมีคนเริ่มกลัวเริ่มกลัวโตรงนี้ไม่รู้แ น, นหะว่าเป็นที่เผาศพหลวงพ่อพอหลวงพ่อบอกไปก็เลยกลัวเนี่ยความกลัวของคน น, นะก็ตรงนี้หลวงพ่อก็าทำเป็นลานทาเอาไว้ซึ่งเอาหินเกศหินที่เราเห็นนั่นนะะมาปนะูแล้วก็มาปฏิบัติกัน ค่อยเป็นค่อยไปช่วงแรกๆก็ทําได้ยากเราจะบลัฟสร้างแบบถาวรสร้างอะไรมันก็ยากเพราะว่าเราก็ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเราจะทําจริงไหมนะจะทําจริงไหมแล้วก็มีญาติโยมเข้ามาประพฤติปฏิบัติจริงไหมมีพระเจ้าพระสงฆ์แล้วก็ชาวบ้านเข้ามาพึ่งพาใส่จริงไหมในสถานที่แห่งนี้แต่ว่ามาวันนี้อาตมาเขคิดว่าพอได้ทํามาในจุดนี้แล้วมาถึงจุดนี้แล้วอตาตมาคิดว่าสถานที่ตรงนี้นะ่ะจะเป็นที่ ท, ที่ที่พึ่งของเรา น่ะเป็นบ้านหลังที่สองนะเป็นบ้านหลังที่สองแต่บ้านหลังแรกเป็นบ้านหลังที่สองน่แต่ว่าจริงๆแล้วบ้านของเรามันมีอยู่แล้วหละนะอันนั้นบ้านในสมมุติที่เราออกมาอันนี้บ้านหลังที่สองแต่บ้านหลังที่สามเนี่ยอยู่กับเราพอเราได้มาพึ่งพาใส่บ้านหลังนี้แล้วพอเราสร้างบ้านเองได้แล้วเนี่ยบ้านหลังที่สามเป็นที่พึ่งของเราอืมก็คือความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็เลยมีบ้านอยู่สามหลังนะเราบ้าน โดยสมมติก็คือที่บ้านเรามาที่นี่ก็เป็นที่พักที่อาศัยที่กินที่อยู่ที่นอนของเราเพื่อการฝึกฝนในการปฏิบัติของเราให้เราได้สร้างบ้านหลังที่สามขึ้นมาคือสร้างสติสร้างศีลสมาธิสติปัญญาขึ้นมาพอเราพึ่งตัวเองได้แล้วเน่ยเราจะอยู่ที่ไหนก็เราก็มีบ้านอยู่จะไปในป่าในดงในที่ไหนก็แล้วแต่เราจะไปอยู่ตรงไหนเราก็มีบ้านอยู่แล้วมันก็สบายละพอเราสร้างบ้านของเราเองได้แล้วมันก็อาตมาคิดว่า เราสร้างบ้านได้ขนาดนี้ออันนี้เป็นบ้านหลังที่สองก็คือการมาฝึกมาปฏิบัติอ่าเพื่อให้เราได้มาฝึกวิชาเพื่อจะสร้างบ้านให้กับตัวเองสร้างบ้านให้จิตให้ใจมันอยู่ใจเรามันไม่มีที่อยู่พอเรามีที่อยู่แล้วเราพึ่งตัวเองได้แล้วตรงนี้ก็เป็นโรงเรีย น, นเป็นโรงเรียนเป็นบ้านหลังที่สองเพื่อให้เราเก้าวถึงอ่าก้าวถึงในจุดนั้นอาตมาก็ดีใจนะที่ภาคภูมิใจขออนุโมทนา สาธุกับญาติธรรมทุกๆ ท, ท่านนะที่มาเข้าปฏิบัติร่วมกันในครั้งนี้นะแล้วก็เจ้าภาพเจ้าภาพก็เยอะนะเจ้าภาพทั้งเราจะมาอยู่ในจุดนี้ได้เนี่ยเจ้าเจ้าภาพไม่ใช่เรื่องของง่ายๆชาวบ้านเนี่ยเป็นกำลังใจให้เราถึงเขาเจ้าบางคนไม่ได้มาประพฤติปฏิบัติแต่เขาก็ให้เลือดให้เนื้อให้กำลังเรานะมาทุกวันนะ ผู้ใหญ่บ้านทั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งอบตอทั้งในในอำเภอในอำเภอมาเปิดงา น, นาในอำเภอมาให้กำลังใจในอำเภอก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมก็บอกว่าคอสนี้ยังไม่ได้มาเข้าก็มาเปิดงานให้เฉยผมก็จะไปรวบรวมผู้ใหญ่บ้านกำนันมาเข้าคอส ต, ตั้งหากเพราะว่าผมจะเข้ามาปฏิบัติคือคอสนี้คนเยอะแล้วก็ท่านก็บอกว่าจะไปรวบรวมเอาก็าจะเหมือนกันเหมือนโรงพยาบาล จะอาผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือปวต อ, อะไรก็แล้วที่สมัครใจท่านจะเป็นทําโครงการมาเขามาปฏิบัติทำเหมือนโรงพยาบาลเหมือนกันอันนี้ก็ผลของในเรื่องของอาการประพฤติปฏิบัติของเราจริงๆใครไปใครมาเขาไม่เห็นนะเขาไม่เห็นมีครูบาอาจารย์นะอาตมาเนี่ยจริงๆแล้วถ้าไม่มีศิษย์ไม่มีอาจารย์นะอาตมาอยู่ไม่ได้หรอกศิษนยะ์ไม่มีครูเหมือนงูไม่มีพิษอาตมามาอยู่ที่นี่ ถ้าไม่มีไม่ได้อาศัยครูบาอาจารย์เขาก็ไม่เชื่อถือนะเฮ้ยจ้กคณะอำเภออีหนองบแดงเฮ้ i, ยจะไปยุ่งนะลูกลูกศิษย์ของดอกเตอร์นะั่นะเขาเรียกลงพ่อมาหาดอกเตอร์ เออย่าไปยุ่งนะลูกศิษย์ของดรตอร์นะเน่มาหาดร็เตอร์กันแล้เรียกหลวงพ่อก็เลยอาตมาก็เลยเออมีมีเกาะป้องกันนะมีแล้วก็เป็นอาเขาบอกว่าสายหลวงพ่อเทียนลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนนะมีเขาบอกว่าลูกศิษย์ของดรเตอร์มาหาดรก็เลยอาตมาก็มีอะไรก็เลยเออเราก็ยังมีครูบาอาจารย์คอยคอยกันอยู่นะจะทําอะไรไปไหนมาไหนทําอะไรจะมีอะไรเกิดขึ้นมาเขาก็ยังติงใช่ไหม อาตมาก็เลยบอกโอ้โหนีถ้าเราไปอยู่วัดบ้านเนี่ยถ้าไปศึกษาเอาเองไปปฏิบัติเอาเองเราไม่มีครูบาอาจารย์แล้วมันจะไปทํำยังไงเนี่ยมันจะอยู่ยังไงกินอยู่ยังไงนะมันโงมาคิดตรงนี้เลยโอ้ถ้าเราไม่ไม่ได้มาศึกษาได้ไม่ได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องนี้ไม่ได้เข้ามาปฏิบัติธรรมนะหรือว่าเข้ามาเอาทำวิปัสสนากรรมฐา น, นโอ้โหชีวิตของเราก็คงจะไม่มั่นคงนะอาตมาว่าชีวิตไม่มั่นคงก็คือมันไม่มีหลัก มันไม่มีที่ยึดไม่มีที่เหนียวแต่ทุกวันนี้ถามว่าอาตมานะอยู่ได้ไหมได้ 3, 3ที่ไหนก็ได้สีแถวเลยนะนะในเรื่องของแถวนการอยู่ทุกวันนี้ลุกไปด้านหลังไปดอยู่ทุกวันนี้อาตมาไม่ได้อยู่เพื่อเอานะไม่ได้อยู่เพื่อเอาอยู่เพื่อให้ให้หมดนะในกระทั่งชีวิตอาตมาก็ให้นะ อาตมาบริจาคหมดเลยสีแถวก่นอนชอบสีแถวก่อนอาตมาบริจาคตาก็บริจาค ห, หูตาหูจมูกลิ้นกายอะไรที่เป็นเป็นที่ใช้ได้อาตมาบริจาคหมดนะถ้าอาตมาตายไปปุ๊บเนี่ยเขาจะมาควัอ ก, กอุลกตาอาตมาก็บริจาคไปแล้วอ่าอะไรที่มันใช้ได้ในส่วนที่มันใช้ได้อต า, ามอตมาไม่บริจาคทั้งหมดให้ทั้งหมดนะทุกวันนี้นะมาคิดแล้วว่าให้ดีกว่าเอานะเราลองสังเกตดู การให้กับการเอาเนี่ยการปล่อยกับการแบกเนี่ยการวางกับการแบกเนี่ยอันไนมันหนักกว่ากันนะคุณโยมว่าแบกกับวางในอันนันหนักกว่ากันแบกหนักใช่ไหมแต่รู้มันหนักเราจะไปแบกทำไมเราก็วางดีนะวางวางทั้งหมดนะสาราเราก็วางเราทาเสร็จมันไม่ใช่ของเรามันเป็นของญาติโยมญาติธรรมทุกคนนะที่มีจิตมีศรัทธาได้มาสร้างมาทํา เราเป็นแค่มาผู้มาอาศัยผู้มาอาศัยเรามาอาศัยแล้วก็ต้องมาดูเลารักษาเพราะเราเร า, เราเป็นผู้อยู่นะถ้าเราไม่อยู่คนอื่นมาอยู่มันก็เป็นอของคนที่เขามาอยู่เขาก็ต้องดูแล ร, รักษาไปมันเป็นของพุทธศาสนาเป็นของสงนะมันไม่ใช่ของเราสิ่งที่เราทำไปทุกอย่างเราไม่ยึดว่าเป็นของเรานะเราก็อยู่ได้อย่างสบายนะทุกวันนี้ก็เหมือนกันมีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ย เราก็ไม่ได้ไปยึดไปเหนี่ยวในเรื่องที่มันจะเกิดนะเราห้ามไม่ไดนะ้สิ่งที่มันจะเกิดอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดมันมีเกิดมันก็มีดับนะทุกวันนี้ก็อยู่แบบแบบแบบไม่มีความกังวลอะไรนะไม่มีความกังวลอยู่ไปแล้วก็สถานีตรงนี้ก็มีไม่ได้ขาดเข้ามาเข้ามา ป, ปฏิบัติกันตลอดนะก็ซึ่งทุกวันนี้ก็เหมือนกันนะเข้ามา คนไหนที่มีเวลาวะมีเวลาที่มีสองสาวันนะข้าราชการ่าวันศุกร์เขากับวันอาทิตย์ก็เข้ามากันเราก็อยู่ตลอดช่วงไหนที่เราอยู่เราก็พาเขาปฏิบัติพาเขาทํามันก็เป็นผลที่เราได้ได้ใช้สถานที่แห่งนี้ให้เป็นประโยชน์สําหรับฝึกคนฝึกคนที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องนี้อาตมาก็คิดว่าประโยชน์อันสูงสุดอาที่เราได้ทํามาก็คือเนี่ยวันเนี้คือประโยชน์อัน อ, อันที่สุดที่เราเราหวังเอาไว้ว่าจะต้องมีญาติโยมมีพระเจ้าพระสงฆ์มีสมมนาอนเอาเข้ามาประพฤติปฏิบัติกันอา่าพอเห็นในจุดนี้แล้วปีนี้เท่านี้ปีหน้าถ้าหน่อออกนะปีนี้ก็ฝากไปด้วยนะก็จะมีหน่อมีแนวออกมาก็คงจะมากกว่านี้แต่ไม่ต้องกลัวหรอกว่าไม่ไม่มีที่จะอยู่นะแะะถวป่าเงาะป่าทุเรียนเราก็ ไม่ยากในป่าทั้งนู้นอ่นะก็มีถ้าเราเข้ามาเป็นถ้าฝนไม่ต ก, กเราการเต็นนอนแบบธรรมชาติได้บนเขาเราก็นอนได้สถานที่ป่ายางต่อฝั่งทั้งนู้นเราก็นอนได้แต่ว่าปีนี้นะอาตมาคิดว่านะในเรื่องของศาลานะที่หลวงพ่อว่าทาถวายไปแล้วอาตมาก็ไม่คอนเียนใจละเพราะว่าเมื่อคืนนี้อาตมาก็ก็หนักใจอยู่ว่าตายังติดนี้เขาอยู่อีกแสนจิตหมื่นห้าพัน แต่หรวงพ่อจะมาถวายสล า, าเนี่ยโอ้นิสงก็เป็นหนี้มันไม่ใช่ของบริสุทธิ์นะไม่ใช่ของที่บริสุทธิ์ที่ตั้งสงยังติดหนี้อยู่ถ้าเรามาถวายอามารย์ก็คิดไหน่อ ย, อยจะทํายังไงจะบอกของพ่อไงพอดีมีเทวดาโผล่มาเลยโทรากำลังคิดนั่งคิดโดูเทวดาโผล่มาบอกอาจารย์ฉันอยากจะทําบุญฉันอยากจะทําบุญสล า, าหลังนี้ด้ว ย, อยโอ้เสร็จแล้วทําให้ทันพอดีบอกเสร็จแล้วทําอย่างมีโยม จังติดนี้อีกแสนเจ็ดมื่นแสนเจ็ดมื่นห้าฟันโอ้พอดีเลยนะก็มีเทวดามารับช่วงช่วยให้ศาลาหลังนี้สำเร็จนะเป็นของสงฆนะ์ได้ตามนะได้ได้ได้ได้ไดไดตามตามตามกฎหมายเนาะอืม ก, ก็ก็เดี๋ยวยังไม่ได้บอกชื่อว่ามีโยมพิกุนะโยมพิกุล อาโยมี่คุณอาจีจิริย่พันธ์นะเต่าฮะอาจริ์ย่าพันธ์น ะ, ะ, ะจริ์ย่าพันธ์นะนนะซึ่งเดี๋ยวก็อยากจะให้โยมพิคุลมาพูดสักหน่อยว่าทําไมสุดท้ายเนะี่ยทั้งตัดเชือกได้ก็อยากจะพูดสักหน่อยอย่งางเจ้าภาพซึ่งทําให้งานนี้สําเร็จได้โดยสมบูรณ์นะครับหลวงพ่อขอเวลานิดหนึ่งเดี๋ยวหลังจากที่เราประหารแล้ว โยมจะเราให้ฟังตอนนี้พระอาจารย์พูดให้จบใช่ไหครับกับผ่าเดี๋ยวเ๋ยวรอแปบบ๊บหนึงนะแตก็จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องนี้อาตมาคิดว่าโอมัหนักใจถ้าเราก็คือมันมั น, มนเรามาคิดแล้วเอ๊มันไม่บริสุทธิ์นะเราเป็นยกให้ส่งแล้วมันมมเหมือนเราไปสวายของใช่ไหมเราไปรักเขามาเนี่ยแล้ว เ, เราไปยืมเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่ของเราอะ่ะเราก็ไปสไหยเราติดหนี้อยู่มันมันไม่โล่งมันไม่โปร่งแนวก็พอดีมา ได้เจอตรงนี้โอ้อาตมานี่แหละนะคือแรงประพฤติปฏิบัติคือคนที่เห็นผลประโยชน์ตรงนี้ที่มันเป็นบุญเป็นกุศลที่จันแม้นมาเห็นโอ้โห อ, โอจาจันแม่บอกผมนี่มีความสุขมากที่สุดเลยกัโยมปุ๊กนะก็มาผมนึกว่ามันจะไม่เจอเลยนะหลวงพ่อหลอกผมมาเนี่ยผมนึกว่ามาม า, มาเอาความสุขนะเออมันจะได้มีความสุขผมบอกผมจะไม่มานะก็ผมจะไม่มาผมเดินไม่ไหวเพราะมาจริงโอ้โหความสุขมันอยู่ตรงนี้เองพอได้มาเห็น ญาตาิโยมไม่เห็นญาติธรรมได้ปฏิบัติเราได้ไม่เห็นสาราได้ใช้ประโยชน์ได้นี่แหละคือบุญบุญที่เราได้เห็นกับตายมสองแถวสุดท้ายนุกเลยที่เราได้เห็นกับตาได้สัมผัสได้ว่าโอ้เกินบุญที่เราทำเนี่ยมันมีผลแบบนี้มีผลแบบนี้มีประโยชน์แบบนี้มันไม่ใช่ว่าสร้างแล้วก็ไปฝันเอาบุญน่ะสร้างแล้วก็ไปจินตนาการเป็นโอ้ต้องได้ไปสวรรค์ชั้นนี้ไปนิพพานชั้นนั้นนี่แหละเนี่ยคือสร้างคนให้ไปสวรรค์ไปนิพพานเนี่ย ถ้าไปเยอะด้วยไม่ใช่ไปน้อยๆอย่นั้นอันนั้นไปนั่งนึกนั่งคิดเอาไม่ได้ทําเลยไปอธิษฐานเอาใช่ไหมอันนี้ไม่ได้อาอธิษฐานเนี่ยเราได้มาใช้ประโยชน์เต็มที่เลยนะใกล้มาฝึกคนได้มาสอนคนไ ด, ได้ใช้ผลประโยชน์เพื่อให้คนที่ได้มาปฏิบัติเนี่ยเพื่อปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรเพื่อออกจากทุกเป็นบุญกุศลที่สูงสุดเนี่ยอัตมาก็คิดว่าอัตมานี้ก็ภาคภูมิใจตรงนี้ที่ญาติโยมได้เห็นผลประโยชน์ตรงนี้ เมือนหลวงพอ่อหลวงพ่อท่านก็จะพูดนะท่านบอกว่าไปเสนอสร้างที่วัดดอยนะที่วัดดอยเนี่ยหลวงพ่อบอกคุณจะเพิ่งสร้างถ้าคุณจะสร้างให้คุณมาปฏิบัติธรรมซะก่อนอัตมาก็จําคําของหลวงพ่อได้ว่าเราจะไม่สร้างโดยคือคนทุกวันเนี่ยใครก็อยากสร้างใครก็อยากได้บุญแต่เขาไม่รู้จักบุญเขาสร้างบุญไม่เป็นนะเขายังไม่รู้ประโยชน์ว่าบุญที่เขาทาไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงอัตมาก็จําคำหลวงพ่อมาว่าเอาใครที่จะสร้างตรงนี้ คุณต้องเข้ามาปฏิบัติธรรมซะก่อนเพื่อให้มั น, ม, นมันเห็นผลประโยชน์ตรงนี้แล้วเราพัลลงเมืองสร้างนะยังจันแม่เนี่ยก็มาเห็นผลประโยชน์แล้วโอ้โหมีนักเรียนเข้ามามีโรงพยาบาลเข้ามามีอาคอส ต, ต่างๆที่เข้ามาไม่เห็นผลประโยชน์ตรงนี้นะสร้างคนสร้างคนให้เป็นมนุษย์ใช่ไหมสร้างมนุษย์ให้เป็นเทวดาเป็นพระอริยะโอ้โหมันมันไม่ใช่ธรรมดา นะอันนี้เรา อ, อาศัยเฉยเฉยอาศัยที่อยู่ที่อาศัยแต่จริงๆแล้วมันสูงสุดนะพอได้เข้ามาทําในจุดนี้อาตมาก็คิดว่าต่อไปหนาะปีต่อไปอาตมาก็มีกําลังใจว่าเออก็จะได้จัดอาตมาก็จะดูผลนะว่าการ ป, ปฏิบัติธรรมเนี่ยในแต่ละที่เนี่ยอาตมาไปช่วยครูบาอาจารย์อาตมาก็จะเลือกไปเลือกไปที่คนที่ตั้งใจปฏิบัติกันจริงๆ ถ้าไปทํากันหลอเลาะแหละทากันแบบเล่นๆไปขอเบอร์โทรศัพท์กันแล้วก็ไปนั่งคุยกันอ่ากูบาราจย์ก็ไปนั่งกดโทรศัพท์เล่นโอ้ตอมาไปหนุนเดียวไม่ไปเลยคือมันไม่ได้ไประโยชน์ไปหลอกเขากินอะ่ะไปหลอกชาวบ้านเขากินแล้วบินบินธบาตเนี่ยข้าวนี่เต็มไปหมดเลยทั้งข้าวทั้งอะไรไปบินธบัต3าวัน4ี่วันกองพ น, นินเต็มทึก็มานั่งกินนอนกินปฏิบัติไม่ได้ผลอาตมาไม่เอาแบบนั้นนะถึงจะน้อยอาตมาก็จะอตาตมาหลวงพ่อ หคนท่างก็ไปนะหลวงพ่อเนะี่ยขอให้มีคนปฏิบัติโคตรแค่ห้าคนอนะ่ะเออผมมีข้อนะันิมนต์หลวงพ่อไปที่บ้านนะผมไปทฏิวัติไม่ได้นิมนต์หลวงพ่อไปสอนที่บ้านหลวงพ่อก็ไปพระธรก็เอานี่แหละตําลาหลวงพ่อนี่แหละนะถึงจะน้อยคนไม่เข้ามาเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ว่าอยากจะมากินสบายอยู่สบายอมาอยู่วัดมันสบายไม่ต้องทําอะไรไม่มีนะที่นี่ไม่ไม่เอาไม่เอาแบบนั้นใครเข้ามาต้องได้ทําต้องได้ปฏิบัติ นะอาตมาก็เอาแบบนี้ถึงว่าจะไม่ถึงจะเข้ามาน้อยคนทีน่ไม่น้อยหรอเขาเขาบอกง่ายเขามีศรัทธามีความตั้งใจนะอาตมาก็นะเอาตรงนี้นะเป็นเป็นที่ตั้งแต่ว่าคนที่มีศรัทธาคนที่มีเขาตั้งใจเนะี่ยเขาก็หาที่อยู่แล้วเหมือนพวกเราเนะี่ยพอบอกว่าเออตรงนี้นะตรงนี้นะเขาปฏิบัติกันจริงๆอย่างจั ง, จ ง, จ ง, จงน้ำมาปฏิบัติแล้วได้อารมณ์ได้อารมณ์รูปนามแล้วออกไปเนี่ยสามารถจะไปเอาไปใช้ในหน้าที่การงานได้ ใครก็อยากมาแต่ไปแล้วไปพอไปปฏิบัติไม่ได้อะไรเนี่ยมันเสียเวลาเสียเงินเสียทุกอย่างเลยเจ็วันเนี่ยถ้าคนทำธุรกิจเนี่ยโอ้โหเสียเงินไม่ใช่น้อยเลยนะก็เลยว่าเรามาเนี่ยที่นี่นะมันต้องได้อะไรกลับไปได้อะไรได้สตินะได้สติได้ปัญญานะเอากลับไปด้วยนะเอาไปใช้ในหน้าที่การงานของเรา แล้วเราก็เอาไปรักษาก็คือทําต่อให้สดิตัวเนี้ยที่หลวงพ่อให้างางานเม็ดเล็กๆอยู่ในตลกนะที่ให้ไปแล้วเนี่ยเราอย่าไปดูถูกต้องงาเม็ดเดียวเนี่ยมันจะไม่มีผลนะงานเม็ดเดียวเนี่ยมันสามารถขายายออกมาได้เป็นร้อยไร่พันไะร่จากต้นจากเม็ดเดียวเนี่ยพอมันเป็นต้นเนี่ยโอ้โหไม่รู้กี่กี่ร้อยเม็ดแต่ต้นนึงเนี่ยออกมาไม่มันไม่รู้กี่ฝักฝักนึ่งไม่รู้กี่เม็ด มันจะขยายออกไปเรื่อยๆเหมือนกันสติของเราเนี่ยถ้าเราเอาไปรักดูแลรักษาถ้าเกิดมันเป็นมรรคเป็นผลเป็นดอกเป็นผลขึ้นมาเนี่ยพอมันโตเป็นต้นใหญ่ขึ้นมาปุ๊บออกกิกก่งก้านสาขาออกดอกออกผลให้เราผลของมันอะลองดูว่ามะม่วงต้นนึงเนี่ยมันมีกี่ลูกขนุนต้นนึงมันมีกี่ลูกสะท้อนต้นหนึ่งมีกี่ลูกลำไยต้นนึงมีกี่ลูกโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเราเอาลูกมันไปขยายอีกเอาพันธุ์มือนไปขยายได้ไม่ใช่น้อยก็คือพุทธศาสนา ของเราน่ะจะเผยแพร่ได้ก็เพราะอันนี้นะเพราะญาติโยมนี่แหละอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัท4ี่พิสุภิษุลีอุบาสกอุบาสิก า, า, ท, 4, า, ก า, กาทุกวันนี้พิสุงแต่พระพิสุสงก็น้อยละมีเยอะอยู่แต่ว่าที่จะเอาจริงๆจังๆประพฤติปฏิบัติจริ ง, รงๆก็น้อยนะแล้วพิษุลีในประเทศไทยของเราก็เขาก็ไม่มีเพราะว่ า, า, าทาง เรียกขอเขาไม่ยอมรับพิษุณีในประเทศไทยเรามันก็เหลืออยู่สามเสาน่ะเหลืออยู่สามเสามันมีอยู่สี่เสาพิสุภิษุณีบาตุวาสิกามีอยู่สี่เสาแต่ว่าอีกเสานึงพิษุนีไปเกิดอยู่ที่ไหนหรือน่ะที่มีมีม่ชีนะก็เหลืออยู่สองเหลืออยู่สามเสานะสามเสาก็คือพิสุพิสุนีนี้ก็มีคิดว่าเสาต้นใหญ่ๆนี้ก็ระวังยากเหมือนกันนะเสาต้นใหญ่ๆยิ่งใหญ่ยิ่งล้มดังนะทุกวันเนี้ย มันอืืออะไรมันเยอะแยะไปหมดเลยเราก็ต้องช่วยกันนะครูบาอาจารย์เราต้องช่วยกันคอยดูแลรักษารักษาเสาต้นนี้เอาไว้ให้เป็นที่พึ่งของเรานะที่พึ่งของเราแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นมาเราก็ต้องช่วยกันนะอันนี้เหมือนกั น, นพวกเราก็เหมือนกันก็อุบาสก อ, อุบาสิกาเนี่ยจะเป็นหน่อแนวที่ ท, ที่ไปเป็นตัวแทนของพระเจ้าพระสงค์เนียได้มากกว่านะเพราะว่าเจ้าดวงเนี่ยกลับไปปุ๊บเนี่ย เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องพี่เรื่องน้องเรื่องพ่อเรื่องแม่ อ, มอัตมะไอญาตโยมเนี่ยนักปฏิบัติธรรมเราสามารถไปแนะนําได้ชวนเข้ามาได้มันก็มีหน่อเกิดขึ้นมาพอมีหนอ่อมีแนวเกิดขึ้นมามันก็ขยายขึ้นขยายขึ้นพอมันได้ผลขึ้นมาเราไม่ต้องไปทําอะไรยากเลยก็ช่วยกันแค่นี้แหละไม่ใช่ว่าจะให้กับพระไปทํ า, าทไมพระเราไม่เผยแพร่ศาสนาเผยแพศสนาอะไรแบบนี้มันน้อยมากถ้าโยมเล็กมาปฏิบัติให้เข้าใจเรื่องนี้ มันจะขยายมากกว่าพระเพราะว่าพระจะเข้าตามบ้านเข้าตามต่อออกตามประตูมันยากแต่สําหรับโยมเนี่ยเขาโอยกําลังนอนใกล้จะตายรอความตายอยู่่ะ บ, บ้านหลังนั้นบ้านหังนี้ไปแลก็ไปพูดให้ลูกให้หลานพูดให้เขาฟังว่าเออมันต้องทําใจแบบนี้ต้องอพึ่งตัวเองอะไรแบบนี้ยิ่งหมอเนะียิ่งแล้วเลยอย่างหมออย่างพยาบาลอย่างโรงพยาบาลเนี่ยถ้าเราเรารู้วิธีรักษากายแล้ว่ะรักษากายแล้วรู้วิธีรักษา มันเจ็บหัวปวดท้องเป็นโรคอะไรเราสามารถรู้ได้เรารักษากายได้แล้วแล้วเรามาศึกษาเรื่องการรักษาใจจบเลยสองเรื่องกายด้วยใจด้วยนะเขาป่วยมาเนี่ยจะมาที่โรงพยาบาลพักดีชุมพลเนี่ยป่วยมาพุ๊รักษาอย่างไง ร, รักษาก็ไม่หายอืหมอตรวจแล้วตรวจอีกไม่หายหมอก็เลยบอกว่ารักษาไม่ได้หรอกคุณไม่ได้เป็นโรคอะไรคุณเป็นโรคเครียดคุณไปรักษาที่วัดธรรมเสีงเชียนเลย ไรมาิวัดไรมาทิวัดโอ้โหมาแล้วดูไม่ได้เลยอะนี่ยอ่ะโอ้มันมันอยู่ในความคิดอะไรมันออกจากความคิดไม่ได้นะเหมือนคนบ้าน่ะมาเหมือนคนบ้าแต่พอมาอยู่พอได้มาปฏิบัติประภาปฏิบัติทําไปทํามาความคิดมันสามารถรู้เท่ารู้ทันความคิดรู้สึงตัวได้มันดีอ่ะเออมันหายอ่ะก็ลองคิดโดเลยว่าเออมันก็รักษาก็คือโรงพยาบาลเนี่ยมันมีอยู่มันก็มีนี่แหละ โรงพยาบาลอันนั้นโรงพยาบาลโดยรักษากายอันนี้โรงพยาบาลรักษาใจนะมันก็มีทั้งสองโรงพยาบาลนะอันนี้ก็เหมือนกันของเราเนี่ยก็มาฝึกนะเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นแพทย์เพื่อเอาไปรักษา<ๆ>เรารักษาใจเราศึกษ<พย>าแล้วเรารักษาใจเราเองได้เหมือนหมอที่รู้ยารู้โรคเราก็สามารถป้องกันรักษาตัวเองได้แล้วเรามาศึกษาเรื่องการรักษาใจอีกเป็นแพทย์เป็นหมอรักษาใจตัวเองจบเลยตอนนี้สองอย่าง นะแล้วเราสามารถที่จะไปหายาให้คนป่วยกินได้คนป่วยก็คือพ่อแม่พี่น้องเราที่เจ็บใครได้ป่วยทั้งโรคทางใจนั่นแหละเราก็สามารถจะไปรักษาให้เขาได้นี่มันจะเผยแผ่ยาวไปเลยศนะาสนาของเราจะไปยาวนะก็พูดแล้วก็คงจะยาวนะเนาะคงจะยาวก็สุดท้ายนี่เนาะ